้ยินออกนําลิ้วไปทันทีตามพื้นอันเทลาดลงไปสู่ดงดึกดำบันนั้นเหมือนหมาล่าเนื้อจากจุดที่พบซากโบราณ น, นอนคว่งอยู่ด้วยลูกปืนปลุกเสกด้วยพุทธานุภาคของอนุชาวราริมมันเป็นคืนวิกฤตที่สุดอีกคืนหนึ่งของคณะเชษฐาเท่าที่ผ่านกันมาแล้วในการเดินทางครั้งนี้ความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก เริ่มด้วยน้ำตกจากเบื้องสูงทำลายทำนบพังลงใส่หัวก่อนพร้อมกันน้องสาวคนเล็กของคณะก็หายไปพร้อมกับกระแสน้ำอนุชาและหนานอินออกตามก็มาสูญหายอย่างลึกลับเดาอะไรไม่ถูกทิ้งเป็นปริศนาไว้อีกจนเชษฐาและชยันพร้อมขยีนต้องเสียงตามหลังมาอีกชุดมันเกิดขึ้นในราตรีเดียวกันทั้งหมดระยะเวลาแห่งเหตุร้ายๆเว้นช่วงกันเล็กน้อยเท่านั้น ได้เรื่องแล้วนายเสียงขยินตะโกนบอกมามีรอยของพวกมาจากนรกลูกน้องของมันใจอย่างมันเดินเปรอะอยู่เป็นเทือกทีเดียวแล้วรอยของพรานชดกับลุงอินก็วิ่งไล่ไปลุงอินยังอยู่ร่วมกับพรานชดไม่ได้แยกหายไปไหนหรอกเพราะดูจากรอยตีนนี่บนพื้นแฉตําแหน่งที่เป็นดินลว้ลวนแห่งหนึ่งต่ําลงไปในป่าล่าง หลักฐานรอยเท้าที่ขยินส่องไฟให้ดูปรากฏชัดเชี่ยวากะชยันอาจจะยังแยกไม่ออกนักแต่ขยินอันเป็นลูกป่าโดยตรงอ่านได้ปุปโปรง่งแล้วก็ชี้มือไปทางซีขวาของแนวทานน้ำตกบอกต่อมาว่าไปทางนี้แหละตามขยินมาเดี๋ยวรู้เองบอกเสร็จปากของมันก็ตะโกนู อยู่ตลอดเวลาเผื่อว่าจะได้ยินเสียงกูตอบมาบ้างหากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนอยู่ในละแวกที่เสียงกูร้องจะแววไปถึงนั้นทว่ามันก็ยังเงียบเชียบเงียบเชียบอยู่เช่นนั้นในความเงียบสุดเงียบแล้วแสงจะเย็นยะเยือกของป่าทึบกลางดึก อันฉ่าไปด้วยน้าทั้งสามคนโดยการนำของกยินลุยน้ำข้ามลำธารมายังอีกฝั่งหนึ่งแล้วฉายไฟไปเห็นสภาพของต้นไม้แต่ละต้นก็แทบจะสิ้นหวังมันมีขนาดใหญ่และทึบเหลือประมาณพื้นโดยสภาพเดิมก็เอียงเทอยู่แล้วแต่อันเนื่องจากน้ำปลาใหญ่เมื่อชั่วโมงที่แล้วทัดเอาใบไม้ที่สุงทักพื้นอยู่ ให้หลุดลอยตามกระแสน้ําไปซะเป็นส่วนมากทําให้พื้นมองเห็นได้ถนัดขึ้นบ้างพบว่ามันเป็นลอนสูงๆต่ๆําๆแองลึกลงไปก็มีโคกสูงเหมือนปลูกก็มีเต็มไปหมดรอยของนานอินกับอนุชาซึ่งสังเกตได้ง่ายเพราะพื้นรองเท้าปรากฏอยู่เป็นแนวทางลักษณะการเคลื่อนไปนั้นวิ่งบ้างหยุดบ้าง บางทีก็ทลไลลื่นหกล้มแต่ตรอยตีนขนาดใหญ่เหมือนเอาปูนคลาสเตอร์ที่ลอไว้มาประทับไว้ซึ่งเป็นรอยของไอ้พวกอมนุษย์รายานีไม่เห็นปรากฏอยู่ในแนวทางที่คนทั้งคู่บายหน้ากันไปเข้าใจว่ามันคงจะแอบหลีกลบบางตัวไปตามโคนไม้ใหญ่หรือพุ่มพงส่วนนั้นอินกับอนุชาคงจะตามไปในลักษณะสะกัดดักคู่ขนานกันไปโดยไม่เหยียบซ้ำรอย เพื่อหาโอกาสยิงให้ถนัดและเพื่อไม่ให้ถลํมกลเพราะถูกล่อให้ผ่านจุดอันตรายซึ่งนั่นเป็นความฉลาดของอดีตนักผจนภัยเบานายทั้งคู่อย่างคาดคะเนไม่ได้ว่าการติดตามของเขาจะไปพบทั้งอนุชาและหนานอินในสภาพที่เรียบร้อยปลอดภัยหรือว่ากลายเป็นศพไปแล้วนี่คือความพร่นใจของเชษฐาชยยัน อันเกิดทัศทวีขึ้นนอกเหนือจากความเป็นห่วงดารินอยู่ในขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ในการคาดคะเนทั้งสิ้นยังไม่อาจมีคำตอบได้แน่ชัดชยันคงไม่ต้องตื่นนะระวังตัวขีดสุดขนาดกลางกระนานอินมันยังล่อไปได้ พวกมันบางส่วนอาจจะดักรอเล่นงานระหว่างทางนี้ก็ได้สภาพป่ามันได้เปรียบเราเหลือเกินรวมทั้งความมืดดึกชายันรับคำและเพียงแค่ขาดเสียงก็เท่านั้นก็ปรากฏเสียงร้องว้าก้องของขยินอันแสดงถึงความตกใจสุดขีดดังอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปแค่สามสี่เมตรเชษฐาชายันกวาดลังไฟฉายวูก สิ่งที่เห็นแวบในสายตาก็คือร่างของเจ้านักเลงตอแห่งลมช้างกำลังกระเ ด, ดูนินต้นหลุดลอยจากพื้นในลักษณะเสียหลักปืนและไฟฉายหล่นร่วงลงมากับพื้นแล้วมันก็ถูกอะไรชนิดหนึ่งที่คว้าส่วนบนของร่างกายไว้กระชากหายแวบเข้าไปใต้โคนไม้ขนาดห้าคนโอบอันมีพูราสูงท่วมศีรษะ คนสุดเสียงแล้วเขากับชายันก็กระโจนเข้าไปยังตำแหน่งนั้นเรากระติดสปริงส่งมันก็เพียงระยะใกล้ที่มองเห็นกันอยู่หลักๆซึ่งหน้าเท่านั้นแต่คนทั้งสองมีอุปสรรคอยู่ในข้อที่ว่ามือนึงจะต้องถือไฟฉายและมือหนึ่งถือไรเฟิลขนาดหนักซึ่งมันแก้งก้างเกะกะสิ้นดีในสภาวะของการตะลุมบอลประชิด ต, ตัวท่ามกลางความมืดแบบนี้ เชิดานโจรอ้อมโคนไม้ไปทางซ้ายส่นชา ย, ยันมุ่งสกัดไปทางขวาโอบเข้ามาทั้งสองด้านอย่างเร็วที่สุดด้วยสัญชาตญาณของผู้ผ่านเหตุวิกฤตมาจนเคยชินและสามารถร่วมกันเป็นทีมเวิร์กได้อย่างดีโดยไม่ต้องนัดแนะสั่งการอะไรกันมากแต่ไวพ้พลิบปฏิพันธ์ของคุณชายเชิฐานเนือกว่าเพื่อไม่เกะกะโครองสายสะพายของไฟฉายเดินป่าไว้กระไหลกันตกโดยไม่ประสงค์จะใช้มันให้เกะกะในยานนี้ สองมือจะได้ถือไรฟได้อย่างถนัดเพราะลำไฟฉายของชา ย, ยันเพียงดวงเดียวก็พอแล้วช่วงพริบตาที่บุคคลทั้งสองโดดโดดอ้อมโคนไม้เข้ามาคนละได้ลำไฟฉายของชา ย, ยันสา จ, จ้าทองเห็นภาพอันแสนชุนลมุนวาสยองห่างกันแค่เอื้อมนั่นคือร่างของขยินกระเดาดินตะกายอากาศอยู่ในอุ้งมืออันเต็มบหนันงหุ้มกระดูกขนาดใหญ่โต ซึ่งกําลังรวมจับอยู่ในระหว่างกลามของมันทั้งสองข้างแล้วยกลอยขึ้นจากพื้นในลักษณะฟัดเวียงเหมือนตกอยู่ในอุ้ง ม, มือของอสุรกายซึ่งบัดนี้แหลร่างของมันดํำทะมึนสูงกว่าขยินอันจักว่าเป็นคนสูงใหญ่อยู่ก่อนแล้วร่วมสอกหากัดกิริยาของมันรวดเร็วฉับไวแล้วคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวด้านประทุสรายผิดไปจากซากอันปราศจากวิญญาณ ปากอ้ากว้างเราก็ปากหมีควายเพราะความใหญ่โตของใบหน้านั้นมองเห็นกระดูกฟันซี่ใหญ่ๆมีอาการเหมือนกําลังจะก้มลงมาขบลงไปบนคามองของขยิ่งชา ย, ยันนั่นเข้าทางด้านหลังของมันประวัดเสยด้วยฟานท้ายของไรเฟิลแผนเหนียวเสียงดังเหมือนฟาดลงกับตอไม้ดังพลุ่ยใหญ่ตำแหน่งกระทบคือหัวด้านหลังของมันที่ตั้งอยู่บนบา่า ไร่ฟ่นขนาดหนกักทั้งกระบอกสถานแทบว่าด้าไม้จะหักแยกออกจากตัวโครงเหล็กของปืนร่างนั้นสะเทือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับเซหรือหันมาสนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากการฟัดเวียงเยื่อในอุ้งขยุ่มของมันอย่างกับแมวกําลังฟัดกลมต่ำลงใช่ยันอัีตท่านผู้ทหารบอกร้องเร็วหรือ แล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่จะล่าช้าต่อไปอีกแล้วสหายของเขาจะก้มหลบหรือไม่หลบก็ตามถ้าขืนช้ากว่านี้ขยินคงไม่รอดแน่จากสภาพที่กำลังถูกขยุ่มวัดเวียงของไอ้ผีรายซึ่งเป็นลักษณะของปีศาจผสมกับสัตว์ป่านั้นก่อนที่ปากอันกว้างของมันจะทันขบลงมากลางกระหม่อมของขยินเชษฐาก็พุ่งปลายลําต้องไรเฟลิลอันเป็นเหล็กกล้าทั้งดุนกระทุ้งก็ไปในปากมัน มันนับกลุ่มลงมาจริงๆนับลงมาที่เหล็กลำกล้องปืนนั่นแหละกระดูกฟันหน้าทั้งสองซี่หักกระเด็นก่อนที่จะขบลงบนหัวของกะยินด้วยความแรงของอาการขบนับนิ้วของเขาที่ไปร้อมอยู่ที่ไกลก่อนแล้วก้อนเนียวเสียงกระสุนล้มช้างระเบิดสนั่นล้นโลกในบริเวณดงดึกดบาบใต้มันดังผิดปะกะติไปมาก เพราะมันอัดเข้าไปในโพรงปากของสิ่งที่ไม่สามารถจะหาคำจำกัดความได้นอกจากจะเรียกมันว่าเป็นไอไพรพลผีดิบถูกบังคับในมนกาลีของโคตรนรกมันไรพร้อมๆกับเสียงบึง้มส่วนอันแลเหมือนสีสาผีเปรตอสุรกายนั่นก็กระจายว่อนฉีกออกเป็นเสี่ยงๆในพริตาเหมือนเอาลูกระเบิดอัดเข้าไป เหลือแต่กรามและคางส่วนล่างเท่านั้นที่ยังติดก้านคอยอยู่นอกนั้นถาดด้วนไปด้วยอำนาจอัดของกระสุนขนาดจุดสีห้ที่พุ่งออกไปขนาที่มันงับปากลำกล้องไว้สองมือที่ขยุ่งกรามของขยิงอยู่ปล่อยผึงร่างของนายบ้านลมช้างร่วงลงมาอยู่เท้าเท้าไอา้ซากที่ปราจากหัวยืนนิ่งในลักษณะมือแพกลางแท้กึ่งวินาที แล้วมันก็งายหลังล้มตึงเหมือนท่อนไม้หรือแทง่งหินหักโคตเสียงชา ย, ยันร้องยังตกใจพระซากใหญ่นั้นล้มฟาดลงมาทับตัวเขาซึ่งกําลังพตรีมจะฟาดมันซ้ําอยู่ความหนักของโครงกระดูกอันมีหนังหุ้มห้าร่างของกขพลอยล้มไปด้วยแล้วบัดนี้ซากของมันก็ทับลงมาบนตัวเขาซึ่งดิ่นตะเกียกตะกายอยู่ภายใต้พยายามถีบพลักใสมัน ให้พ้นตัวเขาออกไปเชิดายังไม่สนใจกับชา ย, ยันที่กำลังร้องโงวยวายอยู่เขาก้มลงหิ้วคอเสื้อขยินขึ้นมาถามละล่าละละักขยิงยังตอบอะไรไม่ถูกแต่แต่สะบัดหน้าไปมาอยู่เราเราตาเหลือกโพลเพราะความตกใจแล้วก็ไออยู่แคกๆอาการชนิดนั้นมันแสดงว่าคนของเขายังไม่ถึงกับเป็นอันตรายใดๆมากนกะท่านหัวหน้าคณะวางไรเฟิลลง จับที่ปลายคางของมันเขย่าและร้องถามอยู่เช่นนั้นขยินยังไม่ทันจะ ก, กล่าวอะไรออกมาได้ไหลขวาของเชือถาก็รู้สึกเหมือนมีตะขอเหล็กอันเต็มได้วยพลังมหาศาลขยุ่มมับเข้ามาแล้วกระชากร่างของเขาหลุดลอยพังหขึ้นจากพื้นในท่าที่กําลังก้มลงประคองขยิงอยู่เช่นนั้นราวกับถูกงวงช้างจาับโลกที่มืดอยู่แล้วในขณะนี้ กลับยิ่งมืดสนิทลงไปอีกสำหรับเชฐ้่าในใจนึกภาวนานะักคำเดียวเท่านั้นหูก็สะท้อนต้องด้วยเสียงระเบร์ตูมอีกครั้งมันไม่ได้มาจากมือเขาจะมาจากอใครไม่ประจักแน่ชายันผู้ดิ่งคลุกคลักอยู่ใต้ซากทับรือวขยินผู้กำลังคลานสี่เท้าอยู่กับพื้นแต่มันก็เป็นเสียงปืนจากฝ่ายเขาแน่ แล้วก็ดังเผาขนอยู่ใกล้ๆร่างของตอนเองที่กำลังถูกกระชากปลิวไปหลุดจากการเกาะเกี่ยวหรือหิ้วนั้นในทันทีเหมือนกับล้มกริ้งหลุนๆไปกับพื้นแล้วก็มีเสียงวัตถุหนักๆล้มตึ้งลงใกล้ๆตัวไรเฟิลคู่มือพลัดหลุดมือไปแล้วเมื่อตอนก้มลงประคองขยิบสิ่งที่เชษฐ า, าจะทำได้ในขณะนี้ก็คือ กระชากปืนพกสั้นจุดสี่สี่ที่ติดเอวออกมาแล้วไฟฉายที่คล้องอยู่กับไหล่ก็ถูกตะครุบกดสวิตพุ่งสว่างจ้าออกไปคุณพระช่วยรอบด้านในขณะนี้อมนุษย์หรืออสุรกายแห่งนิทราคนครเคลื่อนล้อมเข้ามาหมดทุกด้านแล้วแทบจะนับจำนวนไม่ท้วนอยากโคนไม้ใหญ่รอบรอบตัวแต่ละตัวของมันอย่างต่ำๆก็หกฟุตครึ่ง แขนยาวเหยียดเต็มไปด้วยอุ้งเล็บเหมือนไตเหียวยืดออกมาข้างหน้าลักษณะนี้มันเป็นลักษณะที่เขาเคยระจญภัยกันมาแล้วในปราศาสตร์พันธุมมวดีในยุคนั้นชายันกับขยิงกำลังหมุนเป็นกลงหันอยู่ใกล้ๆเขาทั้งสองทรงตัวขึ้นมาได้แล้วและกำลังเตรียมตัวหันไปตั้งรับชายันถือไรเฟิลในระดับเอว ถยินน้ำกระชากดาพ่ขัดหลังออกมาแล้วเพราะยังงมปืนของตนไม่พบบัตรนั้นเองเชี่าก็เพนมายืนแล้วกระโดดเข้ามาสมทบหันหน้าก็หามันคนละด้านเอาหลังชมกันไว้มีเสียงเท่าไหร่ท่านหัวหน้าคณะก็ตะโกนออกไปชนิดคอแทบแตกจึงบัตรนี้ในท่า้กลางวงลอง้อมที่ไอ้พวกผีดิบเคลื่อนบีบเข้ามาทุกด้าน ทั้งสามยืนปักหลักเอาหลังชนกันสองไฟฉายจับไปยังฝูงอมนุษย์ที่โผลอกมาจากโคนไม้รอบตัวเต็มไปหมดเพียงแค่เห็นรูปร่างลักษณะสภาพทรงใบหน้าและอาการของมันก็แทบจะทำให้คนขวัญอ่อนเป็นลมชักไปแล้วเว้ยสนุกแล้วสิคราวนี้เจอเขาตั้งคองทัพเลยเว้ย ชา ย, ยันแทดเสียงตะโกนเอ็ดอึงอย่างบ้าเลือดขึ้นมาแล้วส่วนขยิ่นนักกายสันเทอกมือกำดาบแน่นถ้ามันเข้าประชิด ต, ตัวเมื่อไหร่ก็ตะลุมบอลเมื่อนั้นสำหรับเชษฐถาคุมสไปมั่นในใจภาวนาถึงพระอรหันต์เจ้าบาก็ออกคำสั่งหนักแน่นว่ายิงไอ้ตัวที่เคลื่อนเข้ามาใต้ที่สุดก่อน แล้วยิงทีละตัวเท่าที่กระสุนของเราจะมีขยินบุญเจ้าอยู่ไหนตัวโคนไม้นู่นนายใหญ่ขยินยังเข้าไปเอาไม่ได้มันดักอยู่ตรงนั้นสองตัวเสียงขยินตอบมาฟังแท้ไม่เป็นภาษาคนถ้างั้นไม่ตอบเจ้ายืนอยู่ตรงกลางนี่แหละชายันประโยคหลังเขาร้องเรียกไปทางสหายเหมือนจะเตือนสติ พร้อมไม่ต้องหวง่วงเจท้าคุมสติให้ดีนะเชื่อเหอะมันไม่กล้าเข้าประชิดตัวเราในขณะที่เราพร้อมแล้วก็รู้ตัวอย่างนี้หรอกจำไว้อย่าดาอย่าพรุษสว่คํำหยาบระลึกถึงพระพุทธคุณเขาไว้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะดูสมจริง ตามที่เชิดฐาเตือนสติสหายเขาอยู่เหมือนกันพระเจ้าเหล่าอสุรกายที่โผล่เป็นเงาทะมึนเคลื่อนเหมือนจะบีบล้อมตรงรี่ดาหน้าเข้ามาเหล่านั้นเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆไม่ได้จู่โจมรวดเร็วใดๆทั้งสิ้นแม้จะมีมือที่ยืนเหยียดออกมาเหมือนจะเตรียมประทุสร้ายก็ตาแล้วเมื่อเชิฐาและชัยยันยกปืนขึ้นจ้องตามแนวไฟฉาย พวกมันทั้งหมดก็พากันหยุดยืนลอ้อมไว้เฉยๆระยะของเจ้าตัวที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นร่างอันขาดวิ่นกระรุ่งกระริ่งมากที่สุดหากจากทั้งสามร่วมสิบเมตรสำหรับเจ้าสองตนที่ถูกปืนลงอำนาจพระพุทธคุณไปก่อนแล้วโดยตัวแรกที่เล่นงานขยินและตัวที่สองจูเขาเล่นงานเชืฐาทางเบื้องหลังคงนอนสนิทนิ่ง เป็นท่อนไม้แข็งทื่ออยู่ตรงที่เดิมของมันไม่มีท่าทีว่าจะกระดิกกระเดียได้ต่อไปกำลังใจของเชษฐาและชัยยันเริ่มดีขึ้นในบัตรนั้นต่อให้มันเป็นซากไม่มีชีวิตเลือดเนื้อเพียงแต่เคลื่อนไหวและสามารถทำการรา้ได้ด้วยเวทมนตรีที่เข้ามาบงการบังคับมันก็สูญเสียเส้นริสไปได้เหมือนกัน อย่าเมื่อเจอลูกปืนลงอาคมชั้นสูงเข้าแม้เพียงแค่ส ก, กิลองดูสักตัวเป็นไงว่ามันจะหายถึงสิ้นสติไปเหมือนไอ้สองตัวนี่ไหมชัยยันกระซิบลอดไรฟันออกมาอย่าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเปลืองกระสุนเห็นไหมตอนนี้มันหยุดแล้วไม่กล้าเคลื่อนเข้ามาแ ล, แล้วมันมายืนล้อมเราอยู่ทำไมวะ ก็คุกคามขู่เข็นทําสงครามจิตวิทยากับเรายัางไงถึงกระสุนเราจะสักสิทธิ์จริงล้มมันได้ตัวละนัดแม้แต่แค่ถาแต่เราก็จะมีกระสุนติดตัวมาจํากัดนะพวกมันก็มีมากเหลือเกินถ้ามันล่อพวกเรายิงจนหมดกระสุนเท่าที่มีติดตัวกันอยู่ในขณะนี้เราจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องต่อรองคุ้มครองได้อีกขณะที่กระซิบ เสียงต่ตําๆนั้นเฉิถาพยายามกราดไฟฉายไปยังอสุรกายเหล่านั้นเขาประสงค์จะได้เห็นซากนักรบตัวที่มันไรเข้าสิงอันเป็นตัวนําขบวนอยู่แล้วบอกกับตนเองว่าถ้าพบมันยืนรายล้อมอยู่ในกลุ่มไอ้พวกผีร้ายบริวารเหล่านั้นก็จะระเบิดกระสุนเข้าลายร่างนั้นทันทีเพื่อกําจัดซากอันสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุด ที่มันอาศัยสิงสู่นั้นลงซะไม่มีวี่แววของซากนักรบตัวที่มันไรเข้าสิงให้เห็นในแสงไฟฉายอันสว่างจ้านั้นเลยมันฉลาดพอที่จะหลบไม่ปรากฏตนออกมาเป็นเป้าลูกปืนโดยง่ายแต่ละซากที่รายล้อมอยู่ในขนาดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์ทั้งสิน้นบางตนแขนขาดด้วนอยู่เพียงครึ่ง บางตนไม่มีฝ่ามือและบางตนก็มีใบหน้าที่พังหายไปแผลบนะล้วนเป็นซากที่ผุพังเสเป็นส่วนมากเหมือนจะเป็นการส่งไพร่พลลิ้วล้อชั้นเลวที่ไม่ประสงค์จะใช้งานแล้วให้มาหลอกล่อหรือหลอกหลอนคุกคามขวัญเท่านั้นพิจารณาเห็นเช่นนั้นแล้วเชถาก็ตระหนักได้ทันทีว่าถึงยิงทําลายออกไปก็ไรประโยชน์ วินแต่มันจะปรีเข้ามาโจมตีประชิดตัวเท่านั้นแต่บัดนี้ยามเมื่อพร้อมและบักหลักตั้งรับมันก็หาบังอาจปรีเข้ามาใกล้ตัวไม่มันไรมันไรและเชิถาก็ตะโกนก้องออกไปยังซากผีดิบ อันยืนไม่ผิดอะไรก็เปรดแกเข้ามาขอส่วนบุญเหล่านั้นเจ้าลบอยู่ที่ไหนทงไมถึงไม่เผลกมาอะไรเป็นจุดประสงค์ของเจ้าก็บอกมาขออย่าได้มาติดตามรังควานจองล้างจองหลานอยู่อย่างนี้เลยขาดเสียงของเช็ดถา ก็มีสำเนียงหัวเราะแหบต่ำแววออกมาจากที่ใดที่หนึ่งเสียงนั้นเหมือนจะอยู่ตรงหน้านั่นเองแต่มองไม่เห็นตัวแล้วภาษาพูดชนิดหนึ่งก็แววตอบความมามันเป็นภาษาอะไร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 ห่างไกลไปจากพวกสูงไหมพวกสูทุกคนจะต้องผินหน้าไม่มีผู้ใดรอดกลับไปได้แม้แต่ไอ้พรานธรณงที่ล่วงหน้ามาก่อนพวกสูมันจะต้องผินหน้า พี่น่ย่อยยับไปเช่นกันตู่รอคอยวาระนี้มาโดยตลอดที่สุดพวกสูขขุนขับมาอีกจนได้ตู่ยินดี ทาขนลุกสู้ใช้ศอกกระทุ้งสะ ก, กิดไปที่แข็งชัยยันผู้ยืนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆกระสิบชัยยันจะได้ยินแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจเหมือนอย่างที่ฉันเข้าใจในบ้างไหมฉันคิดว่าฉันได้ยินชัดเจนดีที่สุดแล้วก็เข้าใจทุกทยอยกระทงความเดียวไม้จะไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรก็ตาม พูดกับมันต่อเลยเชิดาให้มันโตต่อเรามาลอยมันพูดท้่ส่งสัญญาณจุดประสงค์ของมันไม่เรารู้ได้มากที่สุดสหายของเขากระซิบตอบอดีต ท, ท่านทูตทหารบกระ ง, งับสติอารมณ์ให้เป็นปกติแล้วมั่นคงที่สุดแล้วก็พูดด้วยเสียงประกาศก้องต่อไปมันไร แจ้วจะจองล้างจองขานพวกเราไปถึงไหนขอให้เรามาอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันเถอะมันจะได้สิ้นสุดลงไปเพียงในชาติพรบนี้เราขอแพ่เมตตาและอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แกเจ้าอย่าได้มีเวรภัยอย่างใดต่อกันอีกเลยสำเนียงหัวเราเะเยาะเย้ยหยันดังแว่วมาอีก ฟังดูมันกระหึมก้องแทรกไปทุกอนูของบรรยากาศในภาวะเช่นนี้แต่บริวารผีร้ายอันมีเป็นมัมมี่คำนวณอายุไม่ได้เหล่านั้นพากันยืนสงบนิ่งอยู่กะที่ตามตำแหน่งต่างๆที่โผลออกมาในลักษณะรายล้อมไวเช่นนั้นเป็นภาวะที่ต่างฝ่ายต่างคุมเชิง <c oughs> ไม่มีการอาโหสิกรรมใดๆระวางตูกับพวกของสู่แล้วขอให้รู้เถิดว่าดวงจิตของตูมันไจผู้นี้เป็นอมตะต่อให้พวกสู่ทำลายละเยียวย่ มินยามตูไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตามคำพีมายาวินพวกสูทาลายได้ท่านธุมมวดีและวิญญาณอันเป็นทาตบริวาลของตูทั้งหลายพวกสูปลดปลอยเป็นอิสระได้ และแม้แต่ซากเดิมของตู้พวกสู้ก็เคยทำลายย่อยยับไปแล้วแต่จิตวิญญาณของมันไครยังอยู่ยังอยู่อยู่เพื่อคอยชาระเหตุที่พวกสู้ทํากับตัไว้ในครั้งนั้น แล้วก็ยันนึกว่าตูจะวาดวันทรัพย์ึงใดๆต่อเวทมอนอาคมของพวกสูกราตรีนี้อุบัติภัยใดๆที่เกิดขึ้นกับพวกสูกรยอมประจักษ์ดีแล้ว วาระสุดท้ายของพวกสูทั้งหมดกำลังไก้เข้ามาไกลเข้ามาไกลเข้ามาแต่ละประโยคของคำพูดนั้น ทำให้ผู้ฟังเย็นตั้งแต่เส้นผมลงไปถึงปลายเล็บเทา้ชาชัยันแย่เขี้ยวตาก้อนสวนอะไปว่าเอาอย่างงั้นก็มะไปม่วซ่อนแรงหลับหัวอยู่อย่างงั้นทำไม่แน่จริงก็เพลวัยเห็นใชเว้ยโพล อ, ออกมางดหัวอยู่ทำไม สู้จะเห็นสู้จะได้แจ้งเต็มตาเมื่อมรณ ก, การเข้ามาถึงเล็ดจะได้เห็นไปทีละคน <ination> <S <S ไอ้กี้ครับไอ้กี้ครับไอ้พี่นร แผดเสียงกล้องไปทั้งความเงียบด้วยโทสะฮึดฮัดขยับจะลั่นกระสุนก็ไปยังหมู่บริวารของพวกมันที่ยืนเป็นท่อนหินดักอยู่เป็นจุดๆแดเช่ฐาใช้สอกระทุงปราโมอีกเชิงให้สงบปากเสียงซะแล้วอดีต ท, ท่านทูตทหารบกก็พยายามใช้หลักการทูตอย่างเต็มที่น้ำเสียงของเขาเรียบรากเป็นปกติและอยู่ในแนวทางรอมชอม ประนีประนอมมันไตรมันไตรฟังเราให้ดีนะโดยแท้จริงเราทั้งสองฝ่ายไม่เคยเป็นศัตรูคู่แค้นใดๆกันมาก่อนเลยอดีตนนที่ผ่านมาน่ะ เจ้าเป็นฝ่ายกอกวน ร, ราวีเราก่อนและฝ่ายเราก็เพียงแต่ป้องกันตัวเท่านั้นเรายอมรับยอมรับว่าวิญญาณของเจ้าน่ะเป็นอรรมตะและเต็มไปด้วยอิจฉริษอันใดก็ตามในอดีตที่ผ่านมาถ้าหากเจ้าถือว่าเป็นการทําลายล้างหรือหมิ่นิแยมเจ้า เราก็ขอบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือเจตานาเลยเพระเราต้องป้องกันตนเองตามธรรมชาติวิสัยและเราก็พร้อมที่จะสมาโททกับเจ้าน่าจะมีข้อตกลงกันได้ระหว่างเรากับเจ้าขอเพียงให้ศึกครั้งนี้สุดสิ้นลงเพียงแค่นี้เถอะ มันไรเรามีภารกิจที่จะต้องกระทําไม่ใช่มะมัวคอยก่อศึกเป็นศัตรูคิดจองล้างจองผลานอะไรกับเจ้าอยู่แล้วก็คอยรู้ไว้เถิดว่าเราไม่ประสงค์ที่จะเป็นศัตรูคู่แคนอาฆาตใดๆกับเจ้าอีกเลย จอมผีดิบผู้ขมังเวทอันมีอดีตเป็นมหาปุโรหิตแห่งนิทรานครในยุค ก, กี่กับกี่กันมาแล้วก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้บัดนี้เสียงเจราจาของมันสงบนิ่งไปชั่วขณะเชษฐาร้องบอกต่อไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเป็นมิตรมันไทร เจ้าได้ยินถ้อยคำเราแล้วใช่ไหมระหว่างเรากับเจ้าจงมาทำความเข้าใจแล้วตกลงกันโดยสันติเถอะขอให้เข้าใจอีกครั้งว่าเราไม่ได้มาเพื่อล้างผลาญราวีอะไรเจ้าเลยยกเว้นจะได้ทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็เพื่อเฉพาะการป้องกันตัวเราเองเท่านั้น สูเป็นผู้ที่ฉลาดฉลาดเลิศไปด้วยสติปัญญาอีกทั้งมีวาจาเจริญสูโดยอาการถี่แต่ตู้ก็รัหนักว่ามันแฝงซ่อนไปด้วยเลสสัน <kahkaha> มันไตรประกาศมาเสียงแหบห้าแสดงถึงไหวพริบปฏิพานเยี่ยมยดพผิดไปกว่าพวกปีศาจอสุรกายหรือวิญญาณชั่วร้ายที่ล่องลอยอยู่ทั่วทั่วไปมีความเป็นเอกภาพของตนเองนอกเหนือกฎเกณฑ์ของผู้ทั้งหลายแล้วน่าจะมีอะไรสักอย่าง ที่ทำให้มันหลีกลบออกมาพ้นจากอำนาจของย ม, มราชอันเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจ ท, ทั้งมวลได้ซึ่งไม่เคยปรากฏบันทึกไว้ในพระคำพีหรือพระไตรปิฎกฉบับใดทั้งสิ้นพระอริยะบุคคลผู้ดื่มด่ำแล้วซึ่งรสพระธรรมจตัตุสัตว์อันประเสริฐสำเร็จผลลุล่วงเข้าไปสู่ความเป็นอรหรันต แต่เจ้าปุโรหิตทูศีลเทว่าบากบันภาคเพียนศึกษาอยู่ในเวทมนต์กริตยาอาคมอันขลังฉะนั้นจึงสามารถสำเร็จผลไปอีกอย่างหนึง่งในทางตรงข้ามคือเป็นพยามานผู้มีมหิตริตไปในด้านอุบาทกาลีและกลายเป็นดวงจิตหรือพลังงานล่องลอยอยู่อย่างเป็นอิสระมีสภาพเป็นอมตะ ในทางชั่วร้ายอยู่ได้เช่นกันสิ่งนี้เชษฐากาลังใช้ความพินิษใคร่ครวนอย่างหนักแต่ถึงยังไงขวัญของเขาก็มั่นคงแนวนิ่งไม่สะทกสะเทือนใดๆทั้งสิ่งเพราะเชื่อมั่นว่าอำนาจเบื้องสูงย่อมมีอนุภาพอยู่เหนืออำนาจเบื้องตม่มอย่างแน่นอนพระอรหันตุกพระองค์ ที่อัญเชิญลงมาประทับอยู่รอบกายในขณะนี้มีหรอที่จะปล่อยให้สิ่งอันต่ำชั่วช้าชั่วร้ายเข้ามาทำอันตรายเขาได้แม้ว่ามันจะมีอิทธิฤทธิ์เกรียงไกรซักเพียงใดก็ตามมันไกลเราเป็นผู้มีสัจจะเช่ดาต่อกอไป <c oughs> ถ้าเช่นนั้นสูจะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตูประสงค์ได้หรือไม่บอกมาสิมันไรเจ้าต้องการอะไรชายันแอบสกิดกระซิบมาว่าเฮ้ยฮหวังว่าคงไม่ถึงก็ต้องเปิดแชมเปญเลี้ยงรับรองในการเจราจาครั้งนี้หนย ป๊ดใช่ยังเชษฐาเหยียบเท้าสหายปากเปราะเอาไว้มันไรเราจะปฏิบัติตามในสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นจึงขอทราบข้อเสนอของเจ้าจงบอกเรามา ตูจะปลดปล่อยอสู้ผลออกจากข้มจองเวนจะระนักศึกลงเพียงแค่นี้ถ้าสู้น้ำกําลังคนของสูง้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดกลับออกไปซะ เสียงบอกกล่าวมาอย่างแช่มช้าของมันไรผู้มองไม่เห็นตัวมันไกรก่อนการตกลงในข้อนี้เจ้ารู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าพวกเรามาด้วยกันสิบหชีวิตนักคืนนี้ได้สูญหายไปแล้วสามชีวิตเรายังไม่รู้ว่าตกไปอยู่ที่ไหน ด้วยอำนาจเล่กลของเจ้าคนแรกคือน้องสาวของเราซึ่งสูญหายไปในทันทีที่น้ำพัดลุงอีกสองคนต่อมาเป็นน้องชายและพราณเท่าผู้นำทางเจ้าต้องคืนบุคคลที่สูญหายไปทั้งสามให้แก่เราก่อนในสภาพที่ปลอดภยัย เรียบร้อยที่สุดแล้วเราจึงมาตกลงกันในเงื่อนไขอีกครั้งเชษฐาต่อรองอย่างฉลาดก่อนอรุณรุ่งน้องชายผู้โอหัง และพรานเข้าผูมีวิทยาคมเพียงแค่กระผียนริ้ของสูงจั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 สตรีผูนั้นแม้ในชาติภพดีจะเกี่ยวพันเป็นลูกของสูงก็จริงแต่อดีตชาบางปันนางมีพันธะถูกพันอยู่กับตุงนางมีกาพนธเชตพัคทีนี้ของพันธุ์ทมวดี ที่พวกสูงรถลอยไปแล้วในครั้งนั้นเมื่อสูแยี่ชีรถลอยพังทุกโมวันนี้มให้ผลจากอำนาจของตุ้ก็ต้องคืนจิ้งจ้านนามาให้แก่ตู้เป็นการชดเชย ยันอุทานออกมาพร้อมกันอย่างตกตะลึงพรึงเพลือ ร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงตอบมาด้วยข้อความอันเต็มไปด้วยปริศนาสกดทั้งเชษฐาและชัยยันให้ปฏิบัติการอย่างใดไม่ได้ไปชั่วขณะหนึ่งด้วยความแปลกมหัศจรรย์ใจขีดสุดสมองเริ่มมึนงงหมุนติว้วเขาทั้งสองไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้เลยในตอนดึกของคืนนี้ ก่อนที่ทำนกเบื้องบนจะแตกน้ำทลายบ่าล้นลงมาทุกคนของคณะแววเสียงสำเนียงเรียกน้ำอันลึกลับนี้ลอยมาตามลมก่อนแล้วน้ำของจิตรางคานางตัวเชิดท้าเองชยยันและแม้แต่อนุชาก็ได้ยินน้ำที่ถูกเรียกขานเหมือนจะร้องหานั้นจนถึงกับต้องลุกขึ้นมาสะดับ กลับฟังและสอบซักหารือกันว่าแต่ละคนได้ยินเหมือนกันหรือไม่ซึ่งผลก็ปรากฏออกมาว่าทั้งสามต่างได้ยินเหมือนๆกันทั้งสิ้นเป็นการได้ยินระหว่างที่แต่ละคนเคลิมเลิมใกล้จะหลับคล้ายจะแววไปเองแต่เมื่อสอบทวนซักถามกันมันก็ได้ผลออกมาตรงกัน ว่าต่างได้ยินเสียงเรียกนามประหลาดชนิดนั้นแน่นอนจะมีก็แต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้แสดงว่าได้ยินหรือสนใจอะไรเลยและกลับเป็นฝ่ายบอกว่าพวกพี่ๆและเพื่อนหูฝากไปพร้อมทั้งบอกให้ทุกคนพยายามหลับซะอย่าไปสนใจอะไรอีกแต่ชั่วขณะเดียวน้ำจำนวนหลายหมื่นหลายแสนคิวบิกเมตรก็โกรกกระนาซัดลงมา บัตรนี้ทั้งเชษฐาและชยันได้สะดับน้ำจิตรางขณงอีกครั้งจากเสียงของมันไรอันนำไพร่พลผีดิบซากมัมี่หมื่นแสนปีของมันเข้ามารายล้อมไวรอบดังซ้ายังเอ่ยอ้างด้วยว่าเป็นน้ำในอดีตชาติของน้องสาวคนเล็กแห่งคณะคือดารินวราฤทธิผู้บัตรนี้ไม่ทราบว่าไปตกอยู่ในภาวะใดที่ไหน ภายหลังน้ำแทงซัดลงมาอย่างรุนแรงทล่มที่พักเอ่ยอ้างเป็นข้อความต่อเนื่องผูกพันเกี่ยวโยงไปถึงนางพยาพันธุมมวดีเจ้าหญิงแห่งนิทรานครผู้ทุกคนในคณะผ่านพบและแก้ไขคลี่คลายเหตุการณ์ให้แก่วิ ญ, ญญาณที่ต้องทันเพื่อปลดปล่อยให้หลุดพ้นไปได้แล้วในครั้งนั้นมันอะไรกันนี่ ทุกคนรู้จักนางพยาผู้เลอโฉมในโลงแก้วภายใต้มนทรสาบของมันไรเป็นอย่างดีและพอจะรู้เรื่องราวความเป็นมาในอดีตมาก่อนบ้างแต่ไม่เคยได้ทราบระแคะระคายอะไรเกี่ยวกับจิตรางขนางอันมันไรระบุว่าเป็นเชษฐภัก ค, คินีหรือพี่สาวของพันธุ ม, มวดีมาก่อนเลยฟังดูมันเป็นสิ่งเร้นลึกและลี้ลับแฝงซ่อนไปด้วยความใน เหลือประมาณอะไรก็ตามเถอะข้อเสนอของมันไรก็คือปรารถนาที่จะได้ตัวจิตรังขนางที่มันอ้างซึ่งความจริงก็คือมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริตในปัจจุบันชาตินี้วิญญาณชั่วร้ายอมตะของมันไรต้องการดารินเชฐาสะบัดหน้าแรง พยายามเรียกประสาท ค, ความรู้สึกสำนึกตนให้กลับคืนมาส่วนชัยันพึมพำออกมาเหมือนรำพึงกับตนเอง ว, ว่าอุวะอะไรกันวะนี่ไม่รู้เรื่องเลยมันมาตัวอะไรน้อยวะแต่ที่แน่แน่ก็คือมันประกาศชัดแนละ้วว่ามันจะเอาตัวน้อยไว้ท่านหัวหน้าคณะกระซิบตอบ ถ้าคิดว่ายัางพอจะเจรจากันมันได้ก็ชวนพูดต่อไปเชษฐาหลอกกันมันบอกอะไรกับเราให้มากที่สุดเพื่อนของเขาเตือนมันไตรเจ้าแน่ใจเหรอว่าน้องสาวของเราคือจิตรางขนางที่เจ้าเอยถึงอะ่ะเชษฐาพยายามถ่วงเวลาเพื่อการติดต่อกวิญญาณชั่วร้ายให้นานที่สุด ลรโอกาสเช่นนี้หาได้ยากที่สุดแล้วแน่ใจสินางเองก็ระหนักแน่แก่ใจตนเองดีว่านางคือใครเว้นไว้แต่จะไม่บอกให้พวกสูรู้เท่านั้น เป็นคำตอบอที่แวววมาจากเจ้าปีศาจขมังเวกผู้ไม่ยอมเกิดและไม่ยอมดับศูนย์เอาละ่ะเรากำลังรับฟังเจ้าจะบอกได้ไหมถึงความเป็นมาในอดีตของผู้ที่เจ้าเรียกว่าจิตรางขนางนะ่ะไรประโยชน์ ไรประโยชน์ที่ตูจะพันนาถึงอดีตการให้พวกสู้ฟังถึงยังไงพวกสู้ก็ไม่มีวันเข้าใจรอกจงตอบเราตอบเราแต่เพียงว่าพวกสู้จะตกลงตามสิ่งที่ตูเสนอ เป็นข้อแรกเลียนนี้หรือไม่เพื่อการที่จะได้รอดชีวิตกลับออกไปยังโลกของสูงแทนที่จะมาพินาศกันหมดสิ้นทุกชีวิตสำเนียงนั้นคุกคามขู่เข็นและสัมทับขวัญ ทายิ้มอย่างใจเย็นค่อยๆก้มลงไปเก็บไรเฟิลของเขาที่ตกอยู่ตรงหน้าใกล้ๆขึ้นมาถือไว้แล้วเสียบปืนสั้นเข้าซองขั้นเอวเพราะอย่างน้อยตัวไรเฟิล น, นั้นเป็นเหล็กหนักทั้งดุนนอกจากจะใช้ยิงได้แล้วก็ยังใช้แทนพลองได้ดีพอสมควรอีกด้วยแล้วเขาก็มั่นใจว่า แม้จะยิงจนหมดกระสุนโดยบรรจุไม่ทันแต่มันก็ได้ประพรมน้ำมนตของอาราหาันแล้วเพียงแต่ฟาดกระนำหรือกระทุง้งกระแทกไอเหล่าผีร้ายของมันไรก็ย่อมจะต้องพังหะออกไปอย่างแน่นอนถ้ามันบุกเข้าประชิดตัวจะมีก็เพียงขยินเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ปืนลูกซองของตนเองตกอยู่ยังไม่อาจาเคลื่อนพ้นจากกลุ่มที่ยืนรวมกันอยู่เข้าไปหยิบมาได้นอกจากตำดาบเดินป่าประจำตัวแน่นขยินเองก็ฟังภาษาที่มันไรโต้อตอบมานั้นเข้าใจด้วยจิตเช่นกันแต่ขณะ น, นี้เจ้านายบ้านลมช้างยืนเบียดชิดไหลกับชายันนิ่งมันไร สมมตินะสมมติว่าเรายอมสละน้องสาวของเราให้ตามประสงค์ของเจ้าแล้วคณะของพวกเราอีกฝ่ายหนึง่งที่ล่วงหน้าไปก่อนนะ่ละเจ้าจะยอมละเวน้นการจองเวรและปล่อยพวกเขารอดปลอดภัยด้วยหรือไม่พี่ชายใหญ่ของคณะพยายามต่อรองต่อไป บัดนี้เขารู้สึกขนลุกสู้อีกครั้งแต่ไม่ได้เกิดจากความสยดสยองพองขวัญหากแต่ด้วยความตื่นเต้นยินดีเพราะทางกลางความเย็นเยียบของอากาศอันแสนหนาวและเปียกชืน้นไรฟ้นที่เขาหยิบขึ้นมาในอุ้งมือขนาดนี้ทุกส่วนของมันไม่ว่าจะเป็นเนื้อเหล็กหรือไม้กระโจมมือ ผ่านท้ายเริ่มร้อนขึ้นตามลำดับอย่างประหลาดเหมือนถูกลนด้วยไฟเขามั่นใจแล้วว่านั่นคือสัญญาณหรือลางดีอันหมายถึงจะเตือนให้ทราบว่าพร้อมที่จะใช้เป็นอาวุธรวมรันกับพวกนี้ได้แม้จะไม่ใช้กระสุนยิงก็ตามและพร้อมกันก็ได้ยินเสียงกระซิบร้อนรนจากชายันว่า เชตาบนในมือฉันทำไมมันถึงร้อนจียงนี้ของแกมีการอย่างนี้หรือเปล่าวะเขาสกิดเชตาชเขาสกิดชยันด้วยศอกชยันพุทธานุภาพลงมาสถิตในปืนเราแล้วระวังใหญ่หลุดมือนะแม้ว่าแกจะยิงจนกระสุนหมดแล้วก็ตามถ้าพวกมันปรี ถ, ถึงตัวเมื่อไหร่เราจะใช้แทนไม้พลอง หรือหอกฟาดกับมันเชื่อว่าแค่ฟาดหรือกระทุ้งโครมเดียวก็ต้องล้มทั้งยืนแบบเดียวกะหอกไม้ที่บุญคำเคยเอาของศพกรปรกอาถรรพ์ทาไว้เหมือนสมัยที่เราประจันบานกับพวกมันคราวก่อนเลยลนี่วิเศษกว่าซะอีกเพราะเป็นของสูงเชื่อว่าพวกมันก็คงรู้ถึงยังไม่กล้าเคลื่อนเข้ามาชิดตัวเราขนาดนี้ เมื่อมันเงียบเสียงนิ่งไปคงเห็นแต่บริวารยืนนิ่งเป็นหินล้อมอยู่ในตำแหน่งเดิมตามจุดต่างๆรอบไปหมดเตถาก็ร้องถามไปอีกว่าไงมันไรเจ้ายังไม่ได้ตอบเราในคำถามข้อหลังนะ พรานท ง, นงกับทนะของมันน่ะหรอ <c oughs> มีอะไรมีอะไรที่พวกสูจะต้องไปหวงพะวงถึงมันด้วยลืมมันจะเถอะลืมมันจะเมื่อตู้เตืออในพวกสูกลับก็จงกลับไปซะถ้าเชื่อตู้อันหมายความว่ามีการตกลงกันได้ สู่ทั้งสามก็จงกลับไปยังที่พักแห่งเดิมตะวันขึ้นพวกสู่อีกสองคนก็จะกลับไปสู่ทุกแล้วทั้งหมดก็จงเดินทางกลับลืมจิจกัาานมาลืมไอ้พรานทันงูผู้นั้นพร้อมพวกของมันซะ ปล่อยทุกสิ่งทุกอยา่างให้เป็นไปตามวิถีทางที่ถูกกำหนดชยันอดรนทนไม่ได้ตะโกนถามออกไปในลักษตาวาดว่าไอ้นรกเอ็งคิดว่าพวกข้าจะขี้ขลาตาขาวถึงขนาดนั้นชูร์ คราบคราสเพือมีชีวิตรอย่อมดีกว่าคราเพื่อเดินเข้าสู่ความหายย็นนะไม่ใช่หรอมันใจผู้มองไม่เห็นตัวย้อนมาอย่างเยียดหยันครั้นแล้ว บัตรนั้นเองโดยไม่บอกกล่าวอะไรเช่ฐาาหรือขยินรู้ตัวเลยเสียงไรเฟรินในมือของชั ย, ยันก็ระเบิดตุ Đ ้มกระสุนขนาดจุดสี่ห้าแปดนั้นโดยปกติมันก็ดังอยู่แล้วแต่บัตรนี้มันดังเหมือนเสียงระเบิดมือปานว่าปืนที่ใช้ ย, ยิงจะแตกก็เป็นเสียงแต่มันก็ไม่แตก เดี่ยวไฟล็บเป็นวาเหมือนลิ้นมังกรแล้วแทนที่จะเป็นสีแดงหรือแสจส้มตามธรรมชาติของดินขับหลับเป็นเปลวที่ลุกเขียวกลับเจ่าคนมนุษย์ที่ยืนคุ้มเชิงอยู่ทางด้านที่ปืนลูกซองของก็หยิงตกอยู่ตอนหนึงง่งหงายหลังกระเด็นไปราวกะถูกช้างถีบแทนที่มันจะลม้มลงเฉยเฉยเหมือนอย่างเคย แล้วอีกตัวก็หลบแวบเข้าไปบังหลังต้นไม้ทันทีเร็วขยินงวิ่งไปแกบปืนของเองชัยยันร้องบอกลั่นพร้อมกับยกเท้าถีบหลังเจ้านักเรงตกล่มชา้างขยินงก็เร็วทันการดีเยี่ยมมันเพนตรงเข้าไปที่ปืนที่ตกจู่ทันทีส่วนชัยยันก็ประทับปืนคอยคุมเชิงไว้ให้พร้อมทั้งฉายไฟตามขณะที่อดีตนายบ้านลมช้างก้มลงตะครุบ ป, ปืน เจ้าอามานุษย์ที่ลบเข้าไปหลังต้งนไม้ก็โพลวุกออกมาอีกใช้ ย, ยันเวียงลำกล้องเข้าใส่ปล่อยไปอีกโตมหนึง่งบานเสียงฟ้าผ่ากลางนรกสภาพมันไม่ผิดอะไรก็สายอัจสุบัรหรืออาวุธของพระผู้เป็นเจ้าที่ฟาดลงมากระสุนที่พุ่งออกไปพร้อมเปลวสีเขียวสว่างจ้าไปทั้งป่านั้น กระทบเข้าที่ดของร่างใหญ่โตนั้นไม่ทราบได้แต่แขนนั้นเต็มไปด้วยกระดูกใหญ่ของมันขาดกระเด็นไปในทันทีแล้วซากนั้นก็หมุนควางกลิ่งลุลุลุนไปกับพื้นที่เอียงลาดขยินยิบ ป, ปืนของตอนเองขึ้นมาได้แล้วคราวนี้ไอ้นั่งก็บ้าเลือดขึ้นมาเหมือนกันมันยิงยิงแล้วกระชากสาซากออกไปรอบด้าน เท่าที่จะมองเห็นซากอันยืนอยู่ตามต้นไม้โค่นล้มีสภาพอย่างใดร่างกายที่ปราศจากชีวิตวิญญาณนอกจากถูกบังคับด้วยเวทมนต์มือก็ล้มลงไปในลักษณะนั้นอีกสองตัวด้วยกระสุนลูกปลายซึ่งอันที่จริงแล้วไมอะไรเลยสำหรับซากประดุหุนยนต์เหล่านี้ถ้าไม่ใช่เพราะอิทธิอำนาจเบื้องสูง ที่ถาตะโกนร้องห้าเพราะเห็นว่าไร้ประโยชน์แต่เขาห้ามทั้งสองคนไม่ได้ซะและ้วทั้งขยินและชยันระดมยิงเข้าใส่กลุ่มซากมัมมี่เหล่านั้นทุกนัดก็โดนออกไปมันล้มลงทีละตัวทุกครั้งไปจนกระทั่งมังนก็หุดในแม็กกะสินแรกที่บรรจุอยู่ทั้งสองรีบรรจุชุดต่อไปทันดีซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พวกมันส่วนใหญ่ ที่พากันยืนนิ่งอยู่รบบูบเข้าไปบังหลังต้นไม้หมดแล้วภาพของกลุ่มอสูรกายเหล่านั้นลับหายไปจากแนวไฟฉายที่ซองกระแต่พวกมันยังไม่ไปไหนคงลบบังอยู่ใกล้ๆนั่นเอง นอกจากความันลยงแล้วพวกสู้ยังมีแต่ความปัดลบโชุดเคล้ามีรู้หรอกเลอว่าพวกของสูงพยายามจะฆ่าฟันมันหาหมดสิ้นไปได้หรอข้าไม่ตายทำลายไม่หมดเพราะมันเป็นสิงหาชีวิตใหม่ มันไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เจ็บรู้ปวดมันทำทุกอย่างสุดจะมนตราของตูจะบังทับให้กระทาต้นนึ่งแหลกสลายไปอีกสิบ้นจะโผล่ออกมาจากทุกซอกมุมปาที่พวกสูญจะผ่านไป สู้สู้กับสิ่งไม่มีตัวตนมีแต่อิจิริกกำลังงานและพวกสู้จะไม่มีวันเถือบ้างหรือฉันไหนอาวุธมีริดเดดของพวกสู้จะใช้ไปได้นานอีกเท่าใด